สัญญาวิญญาณปัญญาสัญญาวิญญาณและปัญญาเป็นเรื่องของความรู้ทั้งสามอย่างแต่เป็นองค์ธรรมต่างข้อกันและอยู่คนละขันสัญญาเป็นขันหนึ่งวิญญาณเป็นขันหนึ่งปัญญาอยู่ในสังขารอีกขันหนึ่ง สัญญาและวิญญาณได้พูดมาแล้วพอเป็นพื้นความเข้าใจปัญญาแลกันมาว่าความรอบรู้เติมเข้าไปอีกว่าความรู้ทั่วความรู้ชัดคือรู้ทั่วถึงความจริงหรือรู้ตรงตามความเป็นจริงท่านอธิบายขยายความกันออกไปต่างๆเช่นว่า รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดรู้ควรไม่ควรรู้ขุนรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้เท่าทันสังขารรู้องค์ประกอบรู้เหตุปัจจัยรู้ที่ไปที่มารู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายรู้ตามความเป็นจริงรู้ท่องแท้เข้าใจท่องแท้รู้เข้าใจสภาวะ รู้คิดรู้พินิจพิจารณารู้วินิจฉัยรู้ที่จะจัดแจงจัดการหรือดำเนินการอย่างไรอย่างไรแปลกันอย่างง่ายง่ายพื้นพื้นปัญญาคือความเข้าใจหมายถึงเข้าใจถูกเข้าใจชัดหรือเข้าใจท่องแท้เป็นการมองทะลุสภาวะหรือมองทะลุปัญหา ปัญญาช่วยเสริมสัญญาและวิญญาณช่วยขยายขอบเขตของวิญญาณให้กว้างขวางออกไปและลึกซึ้งยิ่งขึ้นส่องทางให้สัญญามีสิ่งกำหนดหมายรวมเก็บได้มากขึ้นและเมื่อเข้าใจเพียงใดก็รับรู้และกำหนดหมายในวิสัยแห่งความเข้าใจเพียงนั้นเหมือนคิดโจทย์เลขคณิตข้อหนึ่งเมื่ อ, อยังคิดไม่ออกก็ไม่มีอะไรให้รับรู้ และกำหนดหมายต่อไปได้ต่อเมื่อเข้าใจคิดแก้ปัญหาได้แล้วก็มีเรื่องให้รับรู้และกำหนดหมายต่อไปอีกปัญญาตรงข้ามกับโมหะซึ่งแปลว่าความหลงความไม่รู้ความเข้าใจผิดสัญญาและวิญญาณหาตรงข้ามกับโมหะไม่ อาจกลายเป็นเยื่อของโมหะไปด้วยซ้ำเพราะเมื่อหลงเข้าใจผิดไปอย่างใดก็รับรู้และกำหนดหมายเอาไว้ผิดๆอย่างนั้นปัญญาช่วยแก้ไขให้วิญญาณและสัญญาเดินถูกทางสัญญาและวิญญาณอาศัยอารมณ์ที่ปรากฏอยู่จึงทำงานไปได้ สร้างภาพเห็นภาพขึ้นไปจากอารมณ์นั้นแต่ปัญญาเป็นฝ่ายจำนวต่ออารมณ์ปริเริ่มกระทำต่ออารมณ์เพราะอยู่ในหมวดสังขารเชื่อมโยงอารมณ์นั้นกับอารมณ์นี้กับอารมณ์โน้นบ้างพิเคราะห์ส่วนนั้นกับส่วนนี้กับส่วนโน้นของอารมณ์บ้างเอาสัญญาอย่างโน้อนอย่างนี้มาเชื่อมโยงกันหรือพิเคราะห์ออกไปบ้าง มองเห็นเหตุเห็นผลเห็นความสัมพันธ์ตลอดถึงว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรหาเรื่องมาให้วิญญาณและสัญญารับรู้และกำหนดหมายเอาไว้อีกพระสาวรีบุตรเคยตอบคำถามเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวิญญาณกับปัญญาว่าคนมีปัญญารู้ คือรู้ชัดเข้าใจว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ทางให้ถึงความดับทุกส่วนวิญญาณรู้ในที่นี้คือรู้แยกต่างว่าเป็นสุขรู้ว่าเป็นทุก์รู้ว่าไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกแต่ทั้งปัญญาและวิญญาณนั้น ก็เป็นองค์ธรรมที่ปนเคลาหรือระคนกันอยู่ไม่อาจแยกออกปัญญิข้อแตกต่างกันได้ประนันก็ตามความแตกต่างก็มีอยู่ในแง่ที่ว่าปัญญาเป็นภาเวตรพระธรรมคือเป็นสิ่งที่ควรฝึกอบรมทาให้เจริญขึ้นให้เพิ่มพูนแก่กล้าขึ้นส่วนวิญญาณเป็นปริญญยยธรรม คือเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้หรือทำความรู้จักให้เข้าใจรู้เท่าทันสภาวะและลักษณะของมันตามความเป็นจริงในคำพีรุณุ่นษฐรกฐาเช่นวิสุทธิทมรรคเป็นต้นอธิบายความแตกต่างระหว่างสัญญาวิญญาณและปัญญาไว้ว่า สัญญาเพียงรู้จักอารมว่าเขียวเหลืองเป็นต้นคือรู้อาการของอารมณ์ไม่อาจให้ถึงความเข้าใจลักษณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้วิญญาณรู้อารมว่าเขียวเหลืองเป็นต้นได้ด้วยทําให้ถึงความเข้าใจลักษณะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ด้วยคือเข้าใจตามที่ปัญญาบอก แต่ไม่อาจส่งให้ถึงความปรากฏแห่งมักคือใหตรัสรู้อริยศัสตร์ไม่ได้ส่วนปัญญาทั้งรู้อารมณ์ทั้งให้ถึงความเข้าใจลักษณะและทั้งส่งให้ถึงความปรากฏขึ้นแห่งมักท่านอุปมาว่าเหมือนคนสามคนมองดูเหรียญกระสาบ สัญญาเปรียบเหมือนเด็กยังไม่เดียงสามองดูเหรียญแล้วรู้แต่รูปร่างยาวสั้นเหลี่ยมกลมสีและลวดลายแปลกๆสวยงามของเหรียญ น, นั้นไม่รู้ว่าเป็นของที่เขาตกลงกันใจเป็นสื่อการแลกเปลี่ยนซื้อขายวิญญาณเปรียบเหมือนชาวบ้านเห็นเหรียญแล้วรู้ทั้งรูปร่างลวดลาย แล้วรู้ว่าใช้เป็นสื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้แต่ไม่รู้ซึ้งลงไปว่าเหรียญ น, นี้แท้เหรียญ น, นี้ปลอมมีโลหะอะไรผสมกี่ส่วนปัญญาเปรียบเหมือนเฮรันยิกซึ่งรู้ทุกแง่ที่กล่าวมาแล้วแล้วรู้ชำนาญจนกระทั่งว่าจะมองดูก็รู้ฟังเสียงเคาะก็รู้ดมชิมหรือเอามือช่างดูก็รู้ รู้ตลอดไปถึงว่าเรียนนิธรรมที่นั้นๆผู้ชนานาญคนนั้นๆทำอันหนึ่งปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปบางทีมีแต่สัญญาและวิญญาณหาได้มีปัญญาด้วยไม่แต่คราวใดมีปัญญาเกิดร่วมด้วยกับสัญญาและวิญญาณคราวนั้น ก็ยากที่จะแยกให้เห็นความแตกต่างจากกันและกันเมื่อชาลีและกันหาเดินถอยหลังลงไปซ่อนองค์ในสระน้าโดยเข้าใจว่าผู้ตามหาเห็นรอยเท้าแล้วจะเข้าใจว่าเธอทั้งสองขึ้นมาแล้วจากสระน้าความคิดที่ทำเช่นนั้นก็เรียกว่าเป็นปัญญาต่อมาเมื่อพระเวสสันดร ถอดพระเนธเห็นรอยบาทของเธอทั้งสองแล้วทรงทราบทันทีว่าพระราชบุตรพระาชบุตรีดาเนินถอยหลังลงไปซ่อนอยู่ในสระน้ำเรามีแต่รอยเท้าเดินขึ้นอย่างเดียวไม่มีรอยลงอีกทั้งรอยเท้านั้นก็กดลงหนักทั้งส้นเท้าความรู้เท่าทันนี้ก็เรียกว่าปัญญาในสองกรณีนี้จะเห็นได้ว่า ปัญญามีความรอบคอบและลึกซึ้งกว่ากันซึ่งเกี่ยวพันไปถึงการที่ปัญญาใช้ประโยชน์จากสัญญาด้วยการที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและทรงคำนึงเห็นความทุกข์ที่มวลมนุษย์ต้องประสบทั่วสากลและเข้าพระทัยถึงภาวะที่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ ล้วนเกิดขึ้นแล้วปรูนแปรและสิ้นสุดด้วยแตกดับควรระงับความทุกข์อันเกิดมาจากสาเหตุเช่นนั้นเสียความเข้าใจนั้นก็เรียกว่าเป็นปัญญาเมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแคว้นมคธได้เสด็จไปโปรดพวกกัสปะชดินจึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวมคธ ไม่เลื่อมสายยอมรับคำสอนของพระองค์ก่อนพระปรีชาอันให้ดำริที่จะทรงกระทําเช่นนั้นก็เรียกว่าเป็นปัญญาปัญญาเป็นคำกลางสำหรับความรู้ประเภทที่กล่าวมานี้และปัญญานั้นมีหลายขั้นหลายระดับเช่นที่แบ่งเป็นโลกิยะปัญญาโลกุตระปัญญาเป็นต้น มีคำศัพท์หลายคำที่ใช้ในความหมายเฉพาะหมายถึงปัญญาในขั้นใดขั้นหนึ่งระดับใดระดับหนึ่งแง่ใดแง่งหนึ่งหรือเนื่องด้วยกิจเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะหรือประโยชน์เฉพาะบางอย่างเช่นญาณวิชาวิปัสนาสัมปัชัญญะปริญญาอภิญญาปฏิสัมพิทาเป็นต้น